ความไม่สบายกายไม่สบายใจในหะ้ออกให้ได้คือการจะกที่เหตุท่านค้นพบเมื่อคนพบแล้วเอามาประกาศให้คนได้ทดสอบดูว่าสิงที่ท่านค้นพบนะี่เป็นความจริงไหมนันคนที่พิสูจน์คุ้แรกก็คือปัญจวัคคีทั้ง5แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึ ง, ถ ง, ถงในยุคเราสองสามพันปีเราก็มาพิสูจน์กันต่อ ท่า น, นคำสอนพุทีิยาท่านเป็นคําสอนที่ท่านไมาให้เชื่อท่นในกระลางมาสูตรหรือสิประกาศดนะ้วยกันคนไหนต้องการรายละเอียดก็ไปดูว่าไมา่เชื่ออย่างไรบ้าแต่ท่านให้พิสูจน์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ปฏิเสธเมื่อพิสูจน์แล้วนี่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ปฏิเสธก็ได้ไม่เอาก็ได้ถ้าพิสูจน์แล้วมันใช่ก็เป็นคนดีของเรา เราจะได้ไม่ทุกข์กใจต่อไปในพบในชาตินี่จะต้องเกิดมาทุกอีกไม่มีจบแต่เราพิสูจน์ไม่ได้แตะแสดงว่าตัวความพร้องของเรายังไม่พอก็ต้องรสร้างความร้องต่อไปจนกว่าจะพิสูจน์ได้คือพิสูจน์ออกมาเนี่ยคือมันเป็นผลอันเดียวกันคือผลที่ฟังไม่สบายกาจไม่สบายใจจะหมดสภาพไป คามจริงก็คือความไม่สบายใจมันจะหมดไปแต่ความไม่สบายกายหมดไปไม่ได้แต่บรรเทมันลงพอทนได้เพราะมันเกิดมากับรูปอพอครูเจ้าเองก็ความไม่สบายกายก็มีเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บป่วยแล้วก็มีภาระทังหลายก็เป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ทา่านต่างจะเราคือความไม่สบายใจมไม่มีแล้วหมด แนตราใดเท่าเรามีทั้งสองอย่างเพาะไม่สบายกายไม่สบายใจอยังยมีก็แสดงว่าเรายังไม่พิสูจน์คําสอนพระเจ้ายัางไม่ได้หรือยังไม่สําเร็จเราก็ต้องพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ครั้งนี้แล้วความพร้อมมันไม่พอความพร้อมเรามีแค่ห้าสิบเปอราก็พิสูจน์ได้5 0าความพร้อมเรามี 80% ดสิบเปอราพิสูจน์ได้ถึงแปดถ้าความพร้อมมีร้อความพร้อมนี้นได้แก่อะไรมี5ประการความพร้อมของศรัทธา คามเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นแค่ไหนในการกระทําในการพิสูจน์าการที่สองเมื่อเชื่อมั่นแล้วต้องมือลงมือทํามีลงมือทําแล้วทําถูกทกําผิดแค่ไหนะถ้าทําถูกแล้วมันจะประกอบด้วยทําให้เกิดสติสมาธิปัญญาถ้าหากว่าทําไม่ถูกหรือประกอบไม่ถูกก็จะสติสมธิปัญญาก็าจะ น้อยลงไปหรือไม่เกิดก็ได้ น, นี่คือเรื่องความเชือออเ่อความพร้อมห้าประการเรียกอินทียห้าเือความพร้อมหาอ้าประการเมื่อความพร้อมห้าประการนี้มันเกิดความพร้อมทีเววม่เรียกว่าพาระสติพาระสมาธิพาระวิริยะภาระไปเรื่อยๆจนเป็ปัญญาพาระมันมีความพร้อมมันจะมีกําลังอย่างเราก็บลูกของเราเนี่ยมีความพร้อมต่างกันเราอาจจะยกคูนได้ ถุง50กิโลจะให้รูปเราเล็กๆไปยกลมยุกไปขึ้นเพราะความพร้อมก็ยังไม่พอความพร้อมคืออะไรก็เขากําลังก็ยังไม่พรนั่นเองวันหนึ่งเขาความพร้อมเขามีพอก็อาจจะยุกปูนถุง50กิโลที่เรายกได้แล้วความพร้อมคือกําลังนื่นความพร้อมมีสองลักษณะลักษณะที่ถูกต้องและลักษณะที่มีกําลังแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องมันก็จะมีไม่มีกําลังม่มีความ พร้อมก็ไม่เกิดดังนั้นเข้าใจว่า ท, ทุกท่านที่มาที่นี่จะมีความพร้อมในระดับใดระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ร้อยปอร์เซ็นต่อหอร์เซตสี่เปอรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆศรัทธามากก็ทําได้มากเรารู้ว่าสถานธามีมา ก, กคือทําได้มากถ้าทำได้มากก็มีกําลังมากขึ้นแต่ระดับถ้มีสถาน้อยก็ทําได้น้อยสมมติเราจะนั่งไป ปฏิบัติไปชั่วโมงพอปัญหาเกิดขึ้นความง่วงก็เกิดความเบื่อเกิดขึ้นเราก็เกิดความพร้อมสถาไม่พอมันก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยไม่เอาไม่สู้นี่มาคามพร้อมทางศรัทธาเราไม่พอแต่พอความพร้อมทางศรัทธาเราพอพมันเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยขี้เกียจขึ้นมาความพร้อมศรัทธาพอก็เลยมันจะเกิดตัวการพยายามขึ้นจะทํำยังไง หาวิธีการถอยเจ้าตัวที่มันเกิดมาไปโดยสักออกให้ได้ความพร้อมสังขาวิทยะเกิดแล้วแล้วก็ลงมือหาวิธีการจนทํำได้สําเร็จความพร้อมทางสติสัมถีปัญญาก็เกิดขึ้มนมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปแก้ปัญหาเรือสักอย่างนีญญ้ให้ผ่านไปเป็นอย่างเป็นยางเป็นอย่างไปปัญหาเรือสักทั้งแต่ต่าสุดถึงสูงสุดซึ่งในรายละเอียดต่างๆเราค่อยว่ากันต่อไป อันนั่นเองในช่ <c oughs> ชวงเช้าในกลุ่มที่มีประสบ ก, การณ์มาก่อนก็จะไปนั่งปฏิบัติอยู่ด้านนู้นกลุ่มที่เพิ่มมาก็ปฏิบัติด้านนี้ยมผู้หญิงที่เพิ่มมาเม่วานกัยมผู้ชาย <c oughs> ก็อาจจะตั้งใจกว่าเพิ่มามาทีหลังแต่เฉพาะยมผู้หญิงยังสร้างจะงหวะไม่เป็นเมื่อวานก็นึกว่าหลวงพ่อท่านพาทำแล้วนึกคล่องแล้วที่ไหนได้พอไปทํายังทำไม่เห็นตอนนึงก็เน้นความถูกต้องให้ให่ บางทีเป็นเหมือนกันแต่ยัง ไ, ไ, ไม่ดูกหยุดยังไงเคลื่อนยังไปนั่งยังไรลุกยังไตงต้องตรงเน้นในรายละเอียดตัวนั้นด้วยเพื่อให้เกิดกําลังของสติสัมวิปัญญาที่มีความพร้อมสูงพเพราะผู้ที่ประสบการณ์นี้พออาสนะแยกไปโดดอยู่อิสราหนั้นั่เลยเน้นแต่ทาให้ถูก เพราะว่าไม่ยากหรอกทำให้มันถูกนั่นแหละความพร้มมเกิดข็้นเองรู้สึกว่ามันถูกมันก็จะสบายนสนุกในการทําถ้ารู้สึกมันไม่ถูกก็แสดงว่ามันไม่สบายไม่สนุกนเบือต้องมีอะไรสักอย่างที่มันผิดก็การแก้ตามศึกษานไป